ไปพึงพากันตั้งใจมีสติระลึกเข้ามาที่กายที่จิตเข้ามาสำรวมนั่นนะระลึกมาที่กายรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้ มันไม่ใช่นั้นแล้วก็นั่งไปนั่งมาก็ก้มลงก้มลงมันลืมตัวน้นต้องกำหนดรู้ตัวว่าตนนั่งถูกต้องหรื อ, อยังต้องฝึกเรื่องมนี่นะถ้าไม้ฝึกแล้วอย่างว่าหนะอนั่งพอนาเข้าไปก็ ก้มหัวลงก้มหัวลงก็เคิมไปแล้วแบบนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเป็นไงนะท่านเรียวกว่าโมหะสมาธิจิตสงบอยู่ด้วยความหลงสมาธิในที่นี้หมายเอารู้ตัวอยู่นี่นะ รู้ตัวอยู่แต่ว่าจิตหักไม่ตื่นเต้นไปตามเสียงต่างๆที่กระทบกระทั่งมาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินไม่ได้สนใจกับเสียงคนเสียงสัตว์ต่างๆหมู่นั้นให้ทำใจอย่างนี้ ถึงเรียกว่าผู้สำรวมจิตอืมอนเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปสติก็ยังเข้าไปหาความรู้สึกอ น, นันั้ท่านอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดไปภายนอกอืม มันรู้อยู่ภายในกับสติเมื่อก่อนสตินั้นะระลึกว่าจิตอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะสติะระลึกอย่างว่านี้แหละมเมื่อรู้ว่าจิตอยู่ตรงนี้สติมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกัน หายใจเข้าก็รู้ว่าสติกับจิตอยู่ด้วยกันหายใจออกก็รู้ว่าสติกับจิตอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจิตมันจึงค่อยหยุดคิดลงได้มไม่เอาสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะมันจะไม่หยุดคิดนะจิตเนี่ย ดังนั้นอาจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะสติเข้าไปควบคุมสมปัจจัญญะความรู้ตัวรู้ว่าจิตตนสงบอยู่ในขณะนี้หรือว่ารู้ตัวว่าจิตมีเผลออยู่บ้างก็รู้ เมื่อรู้แล้วก็รีบตั้งสติใหม่มันเผลอรีบตั้งสติกำหนดพร้อมรู้อันนั้นแหละไม่ไม่ต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยต้องเพียรพยายามอยู่อย่างนี้แหละนานเข้ามันก็ตั้งมั่นไปเองมัน เมื่อทำไม่ถอยก็ต้องอดทนทนตอนนั่งไม่เหลือวิสัยอย่างจริงก็จะเคลื่อนไหวไม่อดไม่ทนใจมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตนี่มันมีกิเลสเป็นเครื่องบรบกวนอยู่เสมอ กิเลสมันชวนให้คิดไปโน่นคิดไปนี่อยู่อย่างนั้นนะดังนั้นถ้าเราไม่อดไม่ทนเพ่งอยู่ในปัจจุบันะก็เอาชนะกิเลสชนิดนั้นไม่ได้ให้พากันเข้าใจก็เพราะคนส่วนมากนะมันมีความเพียร ไม่มีความอดทนอย่างว่านี่แหละไม่มีความอดทนฝึกตนฝึ ก, กจิตนี่แหละให้มันตั้งมั่นเหตุนั้นถึงไม่มีปัญญาไม่สามารถจะถอนรากเงาของกิเลสออกไปจากดวงจีดนี้ได้จึงต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตาย อยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดไม่ตื่นตัวอย่างนี้ไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนไปในการที่ทนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมัวเมาประมาทไปเสียปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอก มันก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี้แหละหนีจากวัตตาอนอันนี้ไม่ได้เลยวนไปสู่สุขคติเมื่อทำความดีบางชาตินะ เ, เมื่อทำความชั่วบางชาติก็วนไปสู่ทุกขคติไปเกิดในที่ทุกขยากที่ลำบากเป็นอย่างนั้น ไอ้คนไม่ฝึกผลจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีโดยส่วนเดียวแล้วมันก็ต้องผันแปรไปอย่างนั้นความสุขที่ได้นั้นไม่ยั่งยืนเลยมันก็เป็นสุขได้ชั่วระยะบุญมันเอาหนวยผลให้อยู่เท่านั้นเองพอหมดบุญแล้วบาปก่อให้ผลต่อ ชีวิตจิตใจอันนี้ก็ได้เสวยทุกต่อไปอปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นเช่นนี้แหละหนาจริงๆก็ไปลอยคอยในน ร, รกน่นนานแสนนานกวจะพ้นมาได้เป็นกลับเป็นกันนั่นแหละ คนประมาทจริงๆทำบาปมากทำบุญน้อยเดียวข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่ใจพระองค์เดาเอาอ่ะพระองค์รู้แจ้งด้วยพระสัพยุตตัญญาณอันวิเศษจริงๆเนี่ยดังนั้นนะ ให้พึงพากันพิจารณาว่าจิตของเรามันเชื่อพระปัญญาตรรูปของพระ เ, เจ้าหรือไม่เนี่ยสำคัญในข้อนี้ต้องเพ่งพิจารณาต้องถามตัวเองถ้าหากว่าตนเชื่อจริงๆริงตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อจริง เอาถ้าเชื่อจริงอย่างนั้นก็สิ่งใดเป็นบาปอย่าทำมันละมันให้หมดไปง ท, ที่ว่าเป็นผู้เชื่อเชื่อว่าบาปนั้นอนํานวยผลให้เป็นทุกข์ชิงเมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็อย่าไปทําบาปถ้าต้องการความทุกข์แล้วก็เอาทําไปไม่มีใครว่าอะไรทุกคนย่อมมีสิทธ ที่จะทาดีทําชั่วได้เสียเสียแต่ทําชั่วไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอ่ะอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่เขายอมยื่นมือเข้ามาแน่นอนนะอืมเพียงแต่ทําผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายนีย่ไม่มีใครลงโทษใครบาปกรรมความชั่วที่ตัวทํามันลงโทษเองอืม ในพุทธศาสนานี้ไม่มีการจับกลุ่มคุมขังติดคุกติดตรังแต่อย่างใมผู้ใดทำผิดวิในอย่างไรแรงจริงๆเพื่อนก็ให้ออกหมู่ออกจากหมู่ไปเสียละเพศบรรพชนี่เสียจะถือเพศกครือหัด ทำมาหาเลี่ยงชีพตัวเองไปเท่านั้นแล้วก็หมดเรื่องกันไปแต่ว่าบาปกรรมมันไม่หมดนะไม่ใช่ลาสิกขาไปแล้วบาปกรรมมันจะหมดไปบาปกรรมที่ทาที่ล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรง น, นี่ข้าพูทธิพังเผอล่วงวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อย่างเล็กน้อยอย่างนี้แสดงอาบัตเสียยอมสารภาพยอมมาตนในพลาดจริงล่วงเกินสิขาบทนั่นจริงโทษนั่นมันก็หายไปอืมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราทุกคนร่วนแต่ต้องการความสุขเกลียดความทุก เพื่อนกันหมดไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ความมุ่งหมายอันนี้อย่างเดียวกันเลยผู้ใดเบื่อหน่ายต่อความทุกข์มากมากผู้นั้นก็หันเข้าสู่วัดว่าอารามก็พึกผลอบรมตนไปตาม การเวลาที่จะพึ่งกระทำได้หาหนทางเข้าออกอยู่อย่างนั้นอนนั้นเดียว่าผู้ที่เบื่อทุกข์ในสงสารจริงๆผู้ที่เบื่อทุกข์ในสงสารเพียงเล็กน้อยอย่างนี้มันก็เอื้อเพื่อต่อวัตรวาอารามเพียงเล็กน้อย เพราะว่านั่นแหละไม่เอาจริงเอาจังดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจึงมีความสุขความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อน่ากันทั้งนี้ก็เพราะเกี่ยวแก่การกระทำนั่นเองดังนั้นผู้ที่รู้อย่างนี้แล้ว เชื่อพระปัญญาตัสรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าวันยาท่ามเราก็ไม่ทำเสียไม่ล่วงเกินเสียพยายามชำระจิตใจที่มันมัวหมองด้วยกิเลสให้ผ่องใสขึ้นมา เราอยากรู้จักว่าบาปอกุศลมาระ ง, งับไปจากจิตใจก็ดูที่จิตนี้เองเนี่ยถ้าจิตมันมัวหมองอยู่บาปมันก็ยังไม่ระ ง, งับไปจากจิตใจนี้ถ้าเมื่อไดจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเมื่อนั้นก็รู้ได้ว่านั่นละบาปมาระงับไป อันจิตใจผ่องใสเนี่มันก็ผ่องใสได้เป็นครั้งเป็นคราวธรรมดาผู้มีกิเลสอยู่เนี่ยขั้นเผลอๆแล้วกิเลสมันครอบงํามัมนหมุนมัวหมองไปอันบาปทั้งมัวนี่เป็นของละได้ไม่ใช่ละไม่ได้มีแต่บาปอนันตริยกรรมเท่านั้นละไม่ได้อืมให้เข้าใจอย่างนี้ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าไปย่อท้อเมื่อรู้ว่าบาปมีอยู่ในใจของตนอย่างนี้ก็รีบทําความเพียรชาระไปเรื่อยๆต้องเพ่งจิตนี้เข้าไปเพ่งละนะถ้าไม่เพ่งแล้วมันละไม่ได้ดอกกิเลสนะเพราะว่ามันปั่นจิตให้เลาะและเหล้วไหลไปกิเลสนะ การเพ่งนี้ทำให้จิตมีอำนาจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวตะกิเลตมันมารบ ก, กวนเพ่งรู้นะนันนะเพ่งรู้แล้วก็เพ่งละอารมณ์ใดเคยขึ้นในใจที่นาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็กละความรู้ความเห็นอนไรเกิดขึ้นในใจ ถ้ามันเป็นความจริงก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้นี่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะความเลือกเพ้นธรรมสอดส่องธรรมก็สอดส่องในใจนี่เองดูจิตตัวเองเนี่ยเพราะว่าบาปบุญมันย่อมเกิดขึ้นกับจิตท่านนี้มันไม่ได้เกิดที่อื่น เมื่อดูจิตนี่เข้าไปก็รู้ได้ว่าขณะนี้จิตมันคิดเป็นบาปมันก็รู้ขณะนี้จิตคิดเป็นบุญมันก็รู้นี่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันรู้ว่าขณะนี้จิตคิดเป็นบาปมันก็รีบกำหนดละเลยผู้ไม่ประมาทนะผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็รเพราะว่าบาปนี่มันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ เป็นอย่างนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากบาปกรรมความชั่วที่แต่และบุคคลกระทาผู้มีผู้เป็นทุกข์น้อยก็มีบาปน้อยผู้มีทุกข์มากก็มีบาปมากอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าไปลืมเลือนอย่าไปเมินเฉยเรื่องบาปกรรมนี่ มันมีแต่อย่างหยาบไปถึงอย่างกลางอย่างละเอียดไปนู่นเรื่องบาปหมายเขาว่าถ้าบาปหมดเมื่อใดแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนแล้วผู้บุญกุศลนั้นมันก็กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยก็บรรลุถึงพระนิพพานเท่านั้นเองแต่ถ้ายังมีบาปมาแทรกแทงอยู่ เช่นนี้บุญกุศลก็กยังเต็มไม่ได้อืมพอให้เข้าใจผู้จะบําเพ็ญบุญกุศลให้เต็มลงไปได้ก็เพราะจิตคิดเป็นบาปไม่มีระงับไปหมดแล้วอืมเมื่อจิตคิดเป็นบาประงับไปหมดแล้วคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลไปแบบนี้นะอม เป็นน้นทางไปสู่สวรรค์เป็นน้นทางไปสู่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพรนิพพานก็ไปสู่สวรรค์ความคิดที่ดีนะอืมเช่นว่าบุคคลมาคิดน่วงเนียวเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างนี้นะเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนเลยว่าพระคุณดังสามนี่ เป็นที่พึ่งกําจัดกําจัดทุกภัยได้จริงอย่างนี้นะถ้าหากว่าใจมั่นอยู่ในพระคุณทั้งสามอย่างนี้มันก็ไม่ทําบา ป, ป น, นะคนนะอืมผู้ทําบาปก็เพราะใจไม่มั่นอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้ให้เข้าใจอืก็อพระธรรมคุณนะ่ะได้แก่หินได้อดตุตรประธรรมอย่างนี้นะความละอาย ต่อการกระทำความชั่วหรือทำบาปทั้งในที่รับตาคนและในที่ชุมนมชนก็ไม่ทำชั่วในที่รับไม่มีใครเห็นก็ไม่ทำชั่วเพราะว่าการทำชั่วนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องมีคนรับรองให้มันจึงเป็นบาปได้อย่างนี้ไม่ใช่นะ เมื่อตนทำผิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วแม่นจะทำอยู่ในที่รับเรือนที่แจ้งก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าที่รับไม่มีในโลก น, นั่นแหละที่รับไม่มีในโลกหมายความว่า เมื่อตนคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตนทําบาปอยู่อย่างนี้นะหรือไม่แสดงกัรเทวดาผู้มีตาทิพย์ก็ย่อมมองเห็นอ่าผู้นั้นทําบาปอย่างไงอย่างนี้ท่านผู้มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์ท่านก็รู้ก็เห็นอ่าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ย่อมระมัดระวงังตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ทำผิดผิดผิดทำผิดวินัยนั้นเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถา้าไม่ทำอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้ อันนี้ถ้าขืนทําไปมันมีโทษมันเป็นบาปหมายเขาว่าอย่างั้นคําว่าต้องอาบัตในที่นี้ก็หมายถึงว่าบาปนั่นเองเนี่ยแต่บาปอย่างเบานี่พระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้ประจานตนต่อหมู่เพื่อนเสว่าผมได้ทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปผิด พี่นข้อนั้นข้อนี้ขอแสดงต่อท่านเพื่อความสำรวมระวังต่อไปอมเมื่อแสดงแล้วต่อฉะนั้นก็ตั้งสติสำรวมระวังกายวาจาไปเรื่อยไปไม่ให้ล่วงสิขาบทพี่นน้อยใหญ่เช่นนี้นั้นแหละ จิตใจมันยึงจะผ่องใสขึ้นมาเมื่อเราสกัดกั้นบาปไม่ให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าครือหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันเป็นเครือหัดถ้าไม่รักษาศีลของครือหัดบาปมันก็ครอบรำจิตใจทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวเหมือนกันแต่คนผู้ประมาท้วมัน ไม่ภาวนาไม่ดูจิตตัวเองล้วไม่รู้หรอกว่าบาปมันเกิดขึ้นในจิตหรือบาปมันครอบงำจิตอยู่อย่างไรไม่รู้อะเลยเลยเลยถือว่าตนสบายสบายไปคล้ายๆกับรู้ว่าตนไม่มีบาปไม่มีโทษอะไรความรู้สึกมันเป็นอยางนง้นี่ะ แต่แท้ที่จริงแล้วมันมีบาปนั่นนะแต่มันปรากฏผลนั่นคือมันทำใจเศ้าหมองในปัจจุบันนี่นะทำใจเดือดร้อนหุ้งซ่านหาความสงบระงับไม่ได้เนี่ยมันบาปกรรมที่ทำมันยังให้ผลทางกายไม่ได้ต้องเข้าใจ ต่อเมื่อบุญกุศลที่มันให้ผลมันรักษาร่างกายชีวิตอันนี้ไปโดยลำดับมันหมดลงเมื่อใดนั่นแหละบาปกรรมนะั้นมันจึงให้ผลสืบต่อนี่มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจบางคนบุญมากก็บุญก็รักษาชีวิตนี้ไปจนตลอดหมดอายุ หรือจนจนว่าหมดบุญก็ว่าได้นั่นเองเมื่อนั่นแหละบาปจึงให้ผลสืบต่อไปได้บาปมันก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลำบากเป็นอย่างนั้นอย่าไปมองอื่นเลยมองดูบาปบุญคุณทอดนะมองมุเพ่งดูที่จิต น, นั่นแหละ เมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นลงไปแล้วมันรู้่ให้สังเกตไปถ้าคราวใดเช่นอย่างว่ามันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะในขณะนั้นใสังเกตดูจิตตัวเองที่มันเป็นยังไงอะ่ะจิตตัวเองมันก็ทั้งเศร้าหมองกุนมัวทั้งเร่าร้อนความโกรธมันเผ า, าเอาอะ่ะ อันนี้เราเรียกว่าบาปเราอยากรู้จักบาปมันสังเกตเวลาอย่างงั้นแหละเนมือ่อเมื่อสังเกตแล้วก็อ๋อนี่บาปกเกิดขึ้นในจิตแล้วออืรู้ได้อย่างนี้มันก็รีบประ ง, งับไปเรื่อยๆไปไม่สง่สงไม่ส่งเสริมความโกรธนั้นให้หนาแน่นขึ้นพยายามกำหนดละมันให้มันน้อยลงน้อยลงจนมันมันหมด แต่มันดับไปมันมนดับไปจเจริญเมตตาปาถนาให้ทนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วกันเมื่อเมตตาทำเกิดขึ้นจิตใจกระพ่องใสนี่ก็เรียกว่าบุญบุญเกิดขึ้นแล้วเมื่อบาปเมื่อบาประงับไปบุญก็เกิดขึ้นแทนอ่เป็นอย่างนั้นเรื่องมนะัน่ะ เราจะไปมองดูบาปบุญคุณโทษทางอื่นทางภายนอกไม่ได้ไม่มีตัวอะไรบาปบุญคุณโทษไม่มีรูปร่างอะไรเลยให้มองเข้ามาภายในจิตใจนี้ะนะั่นแหละเพราะว่าจิตนี้ก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันน ะ, ะนะั่นแหละบาปบุญก็เป็นธรรมรม จิตคิดจิตปรุงแต่งขึ้นมานี่นะมันก็รู้จากลักษณะอาการแห่งความคิดของตัวเองนั่นแหละคาว่าบาปนั่นเนชะ่นตนคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นน่ะมันคิดบาปขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนลำพังคงคิดนะลงมือกระทำ พกคนอื่นตีคนอื่นด่าแช่งคนอื่นเข้าไปาถ้าหากว่าเขาเอาเรื่องก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่มีใครเอาเรื่องก็บาปกรรมที่ตนสร้างมาขึ้นนั่นก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นอย่างเดียวมันยังให้ผลทางร่างกายไม่ได้ถ้าไปทำผิดกฎหมายลงไปแล้วนั่นะบาป ที่ทำที่พูดนั้นมันให้ผลปัจจุบันได้ไปติดคุกติดตารางเช่นนั้นแหละให้เข้าใจในใจว่าทำอะไรลงไปแล้วมันไม่ผิดกฎหมายนะใครก็ไม่ลงโทษอะไรเลยก็จะถือว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเทียบกับพุทธบัญญัติ การกระทำของตนน่ะคำที่พูดวาจาที่กล่าวออกมาก็ต้องเทียบกับพุทธบัญญัติว่าเช่นพูดเท็จพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ายัางไรงพูดเท็จหมายความว่าเจตนาที่จะพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินพูดให้ผู้อื่นเพราะนะ ฟังแล้วให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไปนี่เราเรียกว่าพูดเท็จหรืออีกในหนึ่งตนทำผิดลงไปแล้วเพื่อนซักถามก็พูดเท็จไปบอกว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะทั้งที่ตนทำผิดไปแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอย่างนี้นะนั่นนะเป็นเท็จเป็นโกหก โกหกกับเท็จกป็ อ, อันเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าเราไม่มีเจตนาอย่างนี้พูดไปพูดไปแล้วมันเผลอไปรู้รู้ตัวแล้วออเราพูดพลาดไปแล้วอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นมุสาวาทไม่เป็นโทษต้องให้เข้าใจอย่างนั้นคำพูด ทุกอย่างย่อมเกิดจากเกตนาทั้งนั้นมันจึงเป็นโทษถ้าพลั้งเผลอแล้วไม่เป็นนะแต่ถ้าเผลอบ่อยๆมันก็เป็นความมัวหมองถึงไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็มัวหมองแล้วมันก็จะเป็นหน้นทางไปสู่ความผูดเท็จนั่นแหละถ้าเผลอบ่อยๆนะแสดงว่าผู้นั้นไม่มีสติ สมบัติัญญาไม่ได้สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยตั้งอยู่ในศีลนีนนน่ความเผลอเล่นเล่ความไม่สำรวมตนนี่นับว่าเป็นภัยอันร้ายแรงมากทีเดียว คนจะทําทชั่วทั้งหลายมือนี่มันกร็ร้อนแต่มันเผลอเลยแล้วเล้ อ, ลอมันไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าทั้งนั้นหลยมันจึงทําชั่วได้ถ้าคนจะมีหิริอัตตประธรรมในใจอยู่อไม่กล้าทําความชั่วข้างต่อหน้าและรับหลังกลัวความชั่วนั้นมันจะอํานวยผล ให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบัน เ, เพราะฉะนั้นนะ่ะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอันเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่มันก็เพราะบาปกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันตามมาสนองเอาบางคนก็เป็นโรคเป็นภัยไม่รู้จักหายหายไปแล้วก็กลับคืนมาอีกอย่างนี้นะ เรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วมันหายไม่เป็นเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันนะอันนี้หมดเขตของมันเมื่อไดมันจึงระงับไปเองกรรมเวรบางอย่างมันก็อนุโลมกับหยุกยาบ้างเมื่อหมอให้ยารับประทานเข้าไปมันก็หายไปชั่วระยะหนึ่งคั้นแล้วมันก็ให้ผลเข้าไปอีก โรคภัยก็กำเริบขึ้นมาเหมือนเดิมถึง ม, มากกว่าเก่ากระเดะเสวยทุกทนทรมานอันโมนี่นะใ ห, ให้พึงพากันพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่ามันมีสักขีพยานอยู่แล้วตนเองไม่เป็นโรคภยัยแค่เจ็บแต่ก็เห็นคนอื่นคนอื่นที่เป็น โรคภัยอันร้ายแรงได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอย่างนี้นะนั่นแหละก็ระลึกสามาเติรนะ์นตนเห็นไหมนะรมชั่วมันสนองเอาถ้าตนทำชั่วตนก็จะต้องได้เสวยทุกทนทรมานอย่างนั้นแหละอย่างนี้น ะ, ะเตือนตนเข้าไปมันก็ได้อุบาย สอนตนแล้วตนก็สามารถละความชั่วได้ชำระตนชำระจิตใจนี้ให้สะอาดไปเรื่อยๆอเรียก ว, ว่ามีนโยบายอุบายหลายอย่างทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็เพ่งดูร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยข้าวด้วยอาหารด้วยน้ำ หล่อเลี้ยงไว้จึงยังอยู่ได้รูปกายอันเนี้ถ้าหากว่าขาดจากข้าวและน้ำอาหารต่างๆแล้วรูปกายนี้อยู่ไม่ได้นะองแตกดับทำลายไปคงรู้ๆกันแหละอืี่ยรงนั้นเราจะถือว่าร่างกายนี้มันเที่ยงมันยั่งยืนที่ไหนล่ะ ต้องรักษาต้องบำรุงทนุบำรุงไว้นอกจากอาหารแล้วก็ต้องมีผ้านุ่งผ้าห่มอีกแล้วก็มีที่อยู่อาศัยกันพน้นกันลมกันแดดอ่าต้องมีโรงพยาบาลเมื่อใครเจ็บไขรได้ป่วยลงไปก็ไปโรงพยาบาลหมอก็ช่วยรักษาให้ก็สังเกตดูสิตูกกายอันนี้มันจะเอาอะไรมาเที่ยงมายั่งยืนอ่ะ ผูพ้พี่นาเห็นอยู่นี่ผู้นั้นมันก็ไม่ไม่ประมาทไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วแหละอ๋อพิจารณาสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆพี่นาให้ดีแล้วมันก็หน้าเบื่อเอาจริงๆริงสิ่งแวดล้อม ทำมยังว่าหน้าเบื่อก็น่าเบื่อสิเอาคนทั้งหลายในโลกนี้นะเรกสังเกตดูคนชั่วนะมากมายคนดีมีน้อยเดียวนั่นแหละการได้คบพาะสมาคมกับคนชั่วนะ่ะมันก็เป็นทุกข์เดลอดร้อนอ่านี่แหะสิ่งแวดล้อมนไม่อยากพบก็ได้พบไม่อยังเห็นก็ได้เห็นอันคนพาลคนชั่ว ในบางคราวนะมันเปน็นยา ง, ง้นสิ่งแวดล้อมนอกจากคนออกไปแล้วก็ได้แก่ดินผ้าอากาศก็ไม่แน่นอนอะไรเลยบางปีก่นแล้งพืชพันธุ์รญยาหารอะไรก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสูญหายไปเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง บางปีก็น้ำท่วมฝนตกมากาพืชพันธ์ต่างๆตายเสียหายเยอะแยะนี่ว่าสิ่งแวดล้อมนะลองสังเกตดูบางบางคราวกว็บเกิดสงครามอา้าว ทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันไม่ใช่แต่ตำรวจทหารเท่านั้นนะล้มตายประชาชนคนธรรมดาไม่ได้รบรากับใครก็พลอยรับเคราะห์ไปตามด้วยทัานจะพรรนานาอันสิ่งแวดลอนะ้อมมั้ยมันก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เยอะแยะเลย แต่เท่านี้มันก็พอเป็นอุทาหรณ์อยู่แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะควรพิจารณาให้มันรอบคอบมันจึงจะเกิดลิปิทาความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นนะมันเป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยเราทงพิจารณา ตามสภาพความเป็นจริงให้มันรู้มันเห็นความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้นะอย่าไปเมินเฉยนะถ้าเมินเฉยแนละ้วมันไม่เบื่ อ, อเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วร่างกายทุกส่วนกว็ชำรุดทุดโทรมไปไม่ไม่มีกําลังวังชาเข้มแข็งเหมือนแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคน ลุกก็อ ย, อยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาไหนก็คอยแต่จะชวนล้มต้องระวังเต็มที่ผู้ไม่ระวังผู้ขาดสติก็หกล้มคนแก่หกล้มลงไปแล้วมันย่อมยากที่มันจะปกติได้นะมันต้องวิบัติโซใดย์โซหนึ่งแล้วยิ่งได้รับทุกข์ทนโดนมานหลายตายก็ไม่ตาย จะมีกําลังเป็นปกติก็ไม่มีเพราะร่างกายมันวินบัติลงไปกระทบกระทั่งนี่ความชลานะตาก็มัวหูก็ อ, อื้ออยู่อย่างนี้ท่านผู้ดใดพี่นาะเห็นอย่างนี้แล้วกะแม่ว่าทนยังหนุ่มยังแน่นอยู่แต่อยู่นานปีนานเดือนไป มันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนอย่างท่านผู้ที่เกิดก่อนเราแล้วนอะื น, ะนะก็ต้องพิจารณาดูว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปทะเยอทยานไปอะไรเ่ะจะไปรู้อำนาจแก่ทันหานั้นแล้วไปทำบาปทำกรรมทำความชั่วใส่ตัวเองเช่นนี้มันสมควรแล้วหรือนะก็ถามตัวเองดูสิ ในเมื่อทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ำํำรุดสุดโทมไปแทนที่ว่าทำชั่วได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายได้เข้าได้ของมาบริโภคแล้วอายุจะยืนยาวนานร่างกายจะแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะมันไม่มีอ่ะมันไม่เป็นเน่มีแต่วันซุดุดโทมลอง อ่าให้คิดดูให้ดีดังนั้นผู้คิดเห็นอย่างนี้แล้วตนแสวงหาทรัพสมบัติได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคอยู่เพียงนั้นแหละหมายหมายเอาการแสวงหาโดยทางที่ชอบด้วยศีลธรรมและด้วยคนหมายได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เพียงนั้นคนอื่นจะมีมากหมายกลัวตนตนก็ไม่สน ไม่น้อยเนื้อตาใจอันนั้นเป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็ต้องบริโภคปัดัยตามเล็กตามน้อยที่หามาได้อย่าไปทำบาปก็แล้วกันหากว่าผู้ใดพิณาภาวนาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังกล่าวมานี้นะผู้นั้นก็จะไม่ทำบาปแล้วเกเว้นจากบาป ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติรรมไว้ถ้าเป็นครืงหัสก็ไม่ทำบาปห้าประการนั่นไม่ล่วงพุทธบัญญัติารรประการนั้นถ้าเป็นพิกษุ ก, ก็ไม่ล่วงสิขาบทวินในน้อยใหญ่ทั้งแต่สองร้อยี่สิบเจ็ดข้อขึ้นไปถ้าเป็นสามเนนก็ไม่ล่วงสิขาบทสิบข้อ แล้วก็ยังไม่ล่วงเกินบทบรญญัติอีกสิบข้อเช่นมีกล่าวตีเตียนพระพุทธเจ้ากล่าวตีเตียนพระธรรมกล่าวตีเตียนพระสงฆ์ไม่เคารพต่ออุปชาอาจารย์ไม่เคารพต่อภิกษุสามเณร ที่มีพันสามารถโผล่ตนหมนีนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอะไรทั้งนองโมนีถ้าหากว่าสามณเนกทำผิดรลยแดงถึงกับด่าว่าภิกษุสงฆ์เข้าไปอย่างนี้ ก็ถูกลงโทษนะถูกนาสนะเรียกว่าไล่หนีจากมูคณะอาเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าไม่ถึงกับได้่วงศิคาบทสิบข้อนั้นก็จะให้ศึกก็ไม่ได้แตต้องให้หนีออกไปจากมูแต่ถ้าสมเณรนั้นรู้ศึกสำนึกตัวได้ มากลับมาขอสารภาพความผิดแล้วขอสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้ทางสงฆ์ก็ย่อมอนุญาตให้เข้าอยู่ร่วมได้แล้วก็โทษนั้นก็ระงับไป เ, เป็นอย่างน้นเพราะว่าโทษมันไม่ได้แรงถึงกับ เป็นบาปกรรมเหมือนอย่างที่ขาวบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้อันนั้นนะอันนั้นเป็นบาปจริงๆแต่สิบข้อนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่ามันล่วงไม่ยอมสรภาพความผิดมันก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปเหมือนกันนะอ่ามันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นนะ ไม่ว่านักบวชไม่ว่าฤๅษีหัดให้ตั้งหินิโอตตปธรรมไว้เสมอเสมอละอายเกียใจในการจะทำความชั่วทั้งต่อหน้าในรับหลังกลัวความชั่วนะมันจัดตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี้ทั้งในชาติหน้าต่อไปาหากว่าผู้ใดเป็นผู้มีหินิโอตตปธรรม อยู่ในใจเสมอเสมออย่างนี้แล้วก็ไม่ค่จะได้ทำความชั่วดอกคุนะันนะเพราะมันระวังตัวอยู่เสมอนี่มันคกลั ว, วนะั่นเป็นมูลเหตุอะกลัวจะลุ่มหลงทำบาปไปเดี๋ยวบาปนะั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่นะมันกลัวอยู่อย่างนี้มันจึงระวังตัวเองอยู่เสมอนะั่นแะ ไม่ยอมรู้อำนาจแก่ทัณหาตัณหามันอยากได้นู้นอยากได้นี้แม้จะขัดต่อศีลต่อธรรมก็ยอมล่วงศีลเพราะความอยากเป็นเหตุอย่างนี้นะผู้ใดมีความละอายแก่ใจผู้ใดมีความกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ไม่อยากนะ มันก็ละทันหาประเภทนั่นได้ถ้าว่าไม่กลัวความชั่วอันนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันไม่ฟังอ่ะมันต้องร่วงอืะก็อย่างที่ผู้ได้ฟังมาแล้วนั่นแหละแม้ทำชั่วทำบาปนั่นไปแล้วมันก็ยังเฉยยไม่เห็นว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันทันด่วนอะไรเลยมันก็เลย กระด้างในจิตใจแล้วไม่กลัวแล้วทําไปเรื่อยอมันเป็นางานเดิมมานะแต่อย่าลืมว่าบาปกรรมนี่นะเมื่อมันไม่ได้โอกาสมันไม่ให้ผลมันยังให้ผลไม่ได้ต่อเมื่อบุญกุศลที่ให้ผลไปแล้วมันหมดลงไปเมื่อนั้นนะบาปมันยังให้ผลสืบต่อ อ, อย่าลืมอันนี้นะ เมื่อผู้ใดะระลึกได้อยู่นี้รู้ได้อย่างนี้มันก็ระวังตัวอยู่เรืยไม่ทําความชั่วอ่อานั้นเมื่อคนเราไม่ทําความชั่วแล้วทําด้วยความดีบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญขึ้นอผู้นั้นก็มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้หละเมื่อมีบุญกุศลอยู่ในใจอย่างมากมายอยู่แล้วอย่างนี้นะ อยู่ที่ไห น, นบุญก็อยู่ที่นั่นไปที่ไห น, นบุญก็ติดตามไปหิตใจก็เป็นปกติเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีอย่างนี้นะนั่นสิมันจะเป็นทาง้นทุกข์ไปได้ขอให้เข้าใจถ้า่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จิตใจก็เศร้าหมองขุนมัวเดือดร้อนอยู่ เลื่อยไปอย่างนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้ให้เข้าใจเป็นแบบนั้นนะพอตายลงก็ไปสู่ทุกข์เท่านั้นแหละดัง น, นั้นให้พากันเข้าใจผู้ดใดไม่ต้องการกลมทุกข์จะให้รักษาจิตใจตัวดวงนี้ให้ได้อยู่ที่ไหนไปที่ไหนทำอะไรก็อย่าลืมจิตเติมใจตัวเอง ต้องมีสติกำนดรู้จิตตัวเองว่าจิตนี้เป็นปกติอยู่จิตนี้โมกมีปกติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกทนยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเห็นอยู่อย่างนี้พยายามคิดพิจาร์กรำนดรู้ ไตรลักษณ์น า, านันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอสมอไปทัานอย่างนี้แล้วบุคคลโน้นย่อมไม่ได้ทำชั่วหรอกอย่อมแตกย่อมทำแตกกุศลคุณงามความดีเรื่อยไปจนกว่าบุญนี้บุญกุศลจะเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละบุญกุศลอันนี้จึงจะโดนบรรดาให้ ออกบวชส่วนมากออกบวชแหละถ้าถ้าสร้างบุญกุศลเต็มแล้วนะตามตำนานตามประวัติที่เป็นมาอย่างภาษาวกจะแต่ก่อนนะเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทร์บุญบรารมีสร้างมาจนเต็มแล้วนี้ท่านก็ออกบวชเลย บางท่านก็ยังไม่ได้ได้บวชสำเร็จอรหัสตตผลแล้วจึงขอบวชในภายหลังอันนี้นะให้สังเกตและพิจารณาดูให้ดีถ้าท่านผูใ้ใดบุญกุศลยังไม่เต็มควางเทศได้ก็ไม่ได้สำเร็จแต่ถ้ารู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ ท่านผู้นั้นก็ไม่ประมาทลงมือปฏิบัติไปฝึกผลกายวาจาใจของตนไปรักษาความรู้ความเห็นในไตลรลักษณญาณให้ได้แล้วอินทรียบรมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับท่านผู้เป็นพระพระบุคคลนะย่อมได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้น ทางแต่ว่าจะได้บรรลุมรรคผลขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงมันก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของบุคคลแต่ถึงอะไรท่านเหล่านั้นต้องได้บรรลุมรรคผลในชาตินั้นแต่ผู้ที่บุญบา ร, รมียังน้อยอยู่ยังไม่มากพอก็ยังสำเร็จมรรคผลไม่ได้ แต่ผมเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อไปชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจนกลัวว่าบุญกุศลนั้นมันจะเต็มเมื่อใดนั่นแหละมรรคผลนิพพานจึงจะบังเกิดมีขึ้นขอให้เข้าใจดังแสดงมานี้